พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่ส5บห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28ทธันวาคม2556้าหมีชื่อเรื่องว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้า เออหมดแล้ยงางอ้าวอยู่ในความสงบนะลูกหลานนะมีอะไรเหลวหลวงพ่อจะพูด<ม>เรื่องงานให้ฟังงานประจำวันแต่หลวงพ่อได้ดูงานขององค์หลวงปู่ตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่หลวงพ่อมาได้จัดเกี่ยวกับเรื่องเต้นเรื่องโรงทาน ห้องน้ำเรื่องน้ำเลืองไฟระบบน้ำไฟทุกอย่างแต่ก็ไม่ใช่หลวงพ่อทำเองนะลูกหลานพระเนรัจตายาตโยนในช่วยกันทำแต่หลวงพ่อเป็นผู้ประเมินประเมินว่า ง, งานของหลวงปู่ของเราเนี่ยมาถึงจุดนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเพราะนั้นหลวงพ่อก็จะบอกให้พวกเราได้มา ในวันนี้พอจวนแล้วเนี่ยหลวงพ่อขอบอกกล่าวเรียนให้พี่น้องคณะสถานญาติโยมลูกหลานได้ทราบนะงานของพวกเราที่จัดมานี้พร้อมถึง8ปดสิบเอร์ซตพร้อมงานของหลวงปู่เนี่ยพร้อมแปดสิบเอร์ซในขณะนี้นะนะราะว่าพวกเราต่อไปก็คงจะต่อเติมเสริมให้ดีขึ้นแต่ว่างานทุกงานไม่ว่างานไหนล่ะ กว่า็ไม่มีพูดอย่างนั้นได้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดวันเสาร์ที่ยี่สิบปดธันวาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าอห้าสิบหถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็วันที่ห้าวันที่ห้ามกราห้าเจ็ดนับจากนี้ไปถ้าหากว่า เรานับไม่นับวันนี้ก็แปดวันจากนี้ไปแปดวันก็เป็นวันพระราชทานเพลิงศา<ม>รีละของหลวงปู่ด้านขอบอกกล่าวคณะสัตยาธิโจมที่มาในวันนี้รู้สึกว่ามากจากญากติรทศิศเพราะว่าเป็นวันเสาร์แล้วก็เย็นนี้ก็คงจะมีการสวดมัติกาบางสกุลอย่างที่ทุกวันที่ผ่านมา ก็ขอบอกกล่าวให้กับพนักชาติญาติโยมทุกหมู่เหล่าให้ได้รับรู้รับทราบส่วนงานของเราก็คงวันทักวันที่วันที่30จังหวัด น, นกขัดสตีลิงในที่จะมาจากจังหวัดเชียงใหม่คงจะมาประกอบบนเมนขององค์หลวงปู่แล้วกัวันที่สามวันที่สามเนอะพรักชาญาติโยมลูกหลานจะเคลื่อนย้าย สรีระของหลวงปู่ไปสู่เมนแล้วก็วันที่ห้าก็จะได้พระปรธานสรีระของหลวงปู่ของพวกเราถ้าหหัว่าคณะทายายาศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนที่รับเคารพในองค์หลวงปู่ถ้าไม่มีภารกิจมากจนเกินไปก็ควรจะเสียสละมาร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตา ในวาระสุดท้ายขององค์หลวงปู่ของพวกเราเพราะหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยในช่วงชีวิตของพวกเราคงจะเผาหลวงปู่เพียงครั้งเดียวเท่านี้แหละเนี่ยไม่ไม่มีสองครั้ง เ, เพราะนั้นถึงยากลําบากอย่างไรก็ขอให้คณะทา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกทุกท่านทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายฆราวาสญาติโยมด้วยมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความเคารพศักการะ ในองค์หลวงปู่ของพวกเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็การถวายเพลิงศพของท่านที่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่อย่างนี้หาได้ยากนะครับนัตถาจารย์โไม่ใช่หาได้ง่ายพวกเราเคยไปก็นานทีกับไปองค์หลวงตาบังหลวงปู่ศีบังอันนี้ก็ มาถึงปีนี้ก็มาถึงหลวงปู่จามของพวกเราก็ขอให้พวกเราร่วมกันมาประชุมเพลิงแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเมื่อท่านปรินิพานที่เมืองกุชินาราพอจวนใกล้รุ่งพอจวนสว่างพระพุทธเจ้าปรินิพานวันเดือนหกเพนนพอ จวนจะปรินิพานพระอานุน์ก็ได้ถามพระพุทธเจ้านะถามว่าพระพุทธเจ้าค่ะในเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจะให้พวกข้าพระองค์ทําอย่างไรกับศรีระของพระพุทธองค์พระเจ้าว์ผ้าคือพระอานุลเป็นพุทธอุปถัมภ์และก็เป็นญาติเป็นน้องชายของพระพุทธเจ้านะคือเป็นลูกพู่น้อง คือพระพุทธเจ้าเป็นลูกผู้พี่คือพระเจ้าจุดโทธนะนะแต่พร ะ, พระอนนนเป็นลูกผู้น้องเป็นลูกน้องชายของพระเจ้าจุดโทธนะอายุก็หมุดปีเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพระอนนนก็วิตกกังวลว่ า, เ, าเมื่อพระพุทธเจ้ารปนิพพานแล้วจะทำยังไงในสรีละเรือว่าจัดงานศพของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยก็ถามพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วจะให้พวกข้าพระองค์จัดการยังไงกับสรีระของพระพุทธองค์พระเจ้าข่านพระพุทธองค์ทางทีว่าเอ้าจัดให้ใจโตนะให้หรออูหล้หลาโออาเลยนะพระพุทธเจ้ากลับพูดว่าตรัสว่าดูก่อนอานนนสศรีระของเราเป็นหน้าที่ของบรรลกษัตริ์เขาจะจัดการเองเขาจะจัดการเองพวกเธอท่านทั้งหลาย ให้ประกอบการให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาเผากิเลสในใจของท่านพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละคือทางที่ถูกต้องไม่ต้องมายุ่งกับ ส, สรีระของเราตถาคตนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นแต่พระอานุ์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นถามลุกข้อไปอีกว่าเจริงอยู่พระเจ้าข่าแต่ถ้าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วมันรัชศัตริย์ก็จะต้องถามพวกข้าพระองค์ว่าท่านอานอน์ ในจรีละของพระพุทธองค์นะั้นจะปฏิบัติอย่างไรแกให้พวกผมปฏิบัติอย่างไรเนี่ยแหละเขาถามแนละ้วข้าพระองค์จะตอบเขาว่าอย่างไงในเมื่อเขาถามอย่างนี้พระเจ้าข่าเนละพระพุทธองค์บอกว่าเออถ้าหากว่ามเมื่อเขาถามอย่างนั้น<ม>พวกท่านนะบอกให้บอกเขาว่าให้จัดงานศรีละของเราเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิแต่นี่พยุกต์นี้สมัยนี้พระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่มีท่านี่ พระเจ้าจักรพรรดิก็คือในอดีตการมาแล้วพระอนุลก็ไม่รู้ว่าจัดการกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นจัดยังไงเพราะอนุลก็ถามกราบทูลถามอีกว่าที่จัดกับศรีระของพระเจ้าจักรพรรดนั้นจัดยังไงหนอพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิสวรรณคตหรือชินพระสนแล้วก็ชำระพระวรกายของพระเจ้าจักรพรรดิให้สะอาด พอชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เอาสำลีชบด้วยน้ำหอมที่หุงถึงร้อยครั้งให้แค่ากลั่นแล้วกลั่นอีกกลั่นแล้วกลั่นอีกน้ำหอมถึงร้อยครั้งชบด้วยสำลีแล้วกัพันเอาพันที่พระเจ้าจักรพรรดิจากนั้นเอาผ้าขาวบางพันอีกรอบหนึ่งแล้วเอาสำลีพันรอบหนึ่ง และเอาผ้าขาวพันเชาะรอบหนึ่งแต่สำลีต้องชุบด้วยน้ำหอมน้ำมันที่กลั่นด้วยร้อยครั้งน้ำละเอียดน้ำมันที่ละเอียดกลัน่นแล้วก็ชบุบแล้วก็พันทำอย่างนี้ถึง500ชั้น5 0 0ร้ครั้ง500ชั้นจากนั้นก็ ย, ยกสรีระของพระเจ้าจากักรพรรดิลงไปในไปวางในรางเหล็กคือหีบเหล็ก จากนั้นก็เอาฝาครอบจากนั้นก็เอาไม้นัดไม้หอมนาน า, น, นานาชนิดนานาชนิดเป็นเชิงตะกรจากนั้นก็ยก เ, เหีบขึ้นไปวางบนตะเชิงตะกรแล้วก็ถวายพระเพลิงอันนี้คือพระเจ้าจากกักรพรรดิที่พระองค์พระองค์อธิบายนะในรายละเอียดนะในพระไตรปิฎก จากนั้นพระอานุ์พอได้ยินเท่านั้นล่ะรับไม่ได้ทั้งที่ท่านอายุถึงแปดสิบปีออพอพระองค์ตัดอย่างนั้นคือพระองค์พระอานุ์กับพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็เหมือนกับเงาตามองค์พอเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นพระอานุนพอเห็นอานุ์ก็เห็นพระพุทธเจ้าแต่นี้พอพระพุทธเจ้าจะแยกไปจะแล้วจะพริ้นเนี่ยผ่านจะแล้วอานุ์ก็ไม่รู้จะทํำยังไง เดินออกมาทั้งร้องไห้เลยทีนี้น้ำตาโฟมไฟมาเกาะ อ, อยู่ที่บันไดาทางขึ้นสันทาคสัน า, าราคือทางขึ้นประตูพระองค์ก็ถามพระอ น, นุนคหายเงียบไปทีน่้พระองค์ก็ประสวนหนักแล้วก็ถามอ น, นุ์หายไปไหนพระสงฆ์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอ น, นุไ์ไปร้องไห้อยู่ที่ทางที่ประตูทางขึ้นพระเจ้าขาด เออไปเรียกอานนท์มาเอออานน์หายไปไหนโอ้ยข้าพระองค์อที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกกับข้าพระองค์ข้าพระองค์ใครเขาว่ารับไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นแหละเอีเพราะว่าข้าพระองค์ติดตามพระองค์เหมือนกับเงาตามองค์แต่ข้าพระองค์ก็ได้สําเร็จพระโสดาบันยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเด็กกําลังจะเดิน เพิ่งหัดเดินแต่พี่เลี้ยงก็จากไปเสียก่อนแล้วต่อไปภายภาคหน้าข้าพระ อ, องค์จะมีใครหนอจะเป็นผู้แนะนำสั่งสอนข้าพระ อ, องค์ต่อไปในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็คือพระอา น, น์ลำพันลำพึงต่อหน้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนอานนนเธอปฏิบัติเราตถาคตไม่มีที่ต้องติเลยที่ผ่านผ่านมาถ้าเปรียบเทียบกับ พุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อ, นองค์อื่นๆที่ผ่านมาอาโน์นก็ปฏิบัติอย่างนั้นทุกประการพค่อยนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากวันนี้เป็นต้นไปอีกสมเดือนพระท่านอานอน์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้คือพระพุทธเจ้าพยากรณ์นะท่า hmm. นพยากรณ์พระอานอน์เมื่อ พ, พระพุทธเจ้าปฏิเนพันแล้วสมเดือนพระอานอน์จะได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์ พระอานน์ก็ปลื้มปีติกินดีอย่างมากเพราะเหตุว่าพระพุทธองค์พยากรแล้วหนึ่งไม่มีสองเพราะนั้นพระองค์พระอนน์ก็ปลื้มใจนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าจากนั้นสามเดือนเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วเขาก็จัดการตามที่พระพุทธองค์ได้สั่งมันรัชัตรูก็ได้เตรียมอย่างที่ พระอานนท์แนะนําอแต่พอเอาเข้าแล้วสมัยนั้นเขาก็จะพยายามประชุมเพลิงเลยนะอพอตอนเช้าตอนวันนั้น่ะเขาก็อพอทําเสร็จแล้วะถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเลยแต่พอเอาไฟจ่อเข้าไปทีไรไฟดับเบิ้ก็มีคน อ, อน้ําดับอพอจ่อไปไฟดับเออพระอนุรทต นั่งอยู่ที่นั่นท่านบอกว่ า, ายังก่อนอุบาสกมันละกษัตทั้งหลายอย่าเพิ่งเอาไฟจุดเพราะว่าพระมหาตัสสะเถระกำลังเดินกำลังเดินทางมาพร้อมภิกษุสงฆ์ห้าร้อยจะเข้ามาสมทบให้รอก่อนเพราะว่าเทวดาเนี่ยท่านจะจุดท่านไม่ให้จุดอพอมนุษย์ไปเห็นเทวดาเนี่ยเทวดาเห็นมนุษย์ พอมนุษย์เอาไฟเข้าจ่อเข้าไปเทวดาเอาน้ําดับหรื อ, อ ท, ท่านจะเอาผ้าชุบน้ําดับก็ไม่รู้แหละเพราะเทพมนุษย์ไม่เห็นไม่เห็นเทวดาเทวดาเห็นมนุษย์ อ, อพอจ่อไฟเข้าไปดับใส่เสื้อเพิงเข้าไปแล้วก็ดับเ อ, อพระผ่านนุรุ ธ, ธาเขาเลยบอกว่าอย่าอ อ, อย่าเพิ่งจุดรอพระมหากัสจปะก่อนพระมหากัสจปะกําลังเดินออทางมาจากเมืองปาวา กว่าจะมาถึงก็หลายวันเลยเพราะทันเดินทางเลยพอมาถึงนั่นเจดวันเลยพอเจดวันก็พอได้เจ็ดวันพอพระมหากัตนปะเข้ามาถึงก็ขึ้นไปกราบบนเชิงตะกอนขึ้นไปกราบทั้งฝาประบาดคือทางเท้าของพระพุทธเจ้าพอเข้าไปกราบเท่านั้นนะฝาฝาโลงนะ่ะฝาหีบนะ่ะฝาหีบเหล็กนะ่ะรางเหล็กนะ่ะแวกแนวเลยงั้นนะให้เข้ารลด ดูดออกมาพระมหากัสจป่เข้าไปกราบพอไปกราบเอาฝาพระบาทพระพุทธเจ้าใส่กระหม่อมใสบน <c oughs> จับฝาพระบาทพระพุทธเจ้าที่นอนปรินิพานใส่บนศรีรษะของตัวเองจากนั้นก็ก็กราบเสร็จแล้วก็ฝาพระบาทก็หดเข้าตามปกติฝาหีโปรงก็หยดเข้าพอพระมหากัสจปตาถอยออกมาหน่อยเดียวเท่านั้นนะไฟ ไฟทิพย์นะเกิดทบขึ้นมาเลยโดยที่มนุษย์ไม่ต้องจุดนะอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไฟทิพย์เปือเทวดาเป็นผู้ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าในวันวันเดือนหกเพ่นนั้นจากนั้นก็พอถึงวันลุ่งขึ้นก็มีการแจกพระประรมสารีริกธาต์การเจาะแจกพระบระรมสารียริกธาต์นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ แต่คนสมัยนั้นก็ไม่ใช่เนีมันความขี้โกงความขี้ไม่ตรงเนี่ยมันมีแต่สมัยนั้นเหมือนกันนะคณะชาติญาติโยมลูกหลานทตนี้ก็พอพระพุทธเจา้าปริริพานเนะ่ยเอีขึ้นมาแล้วแบบใครก็ยกทัพไปท่นี้เพรากุชินาราเป็นเมืองเล็กไงนี่ยเป็นเมืองเล็กเป็นเมืองไม่มีกําลังทหารมากเมืองใหญ่ๆเขาก็ยกทัพเข้าไปทั้งช้างทั้งม้าเข้าไปล้อมเมืองกุชินารา เออแจกดีๆนะบุรลมสาลีกรธาตุพระพุทธเจ้าเป็นของเราทางมัลลกษัตริย์เอ้ยไม่ได้พระพุทธเจ้ามาปรินิพานที่เมืองของเราก็ต้องเป็นของเราข้าจะให้ใครไม่ได้ทางเมืองใหญ่เออเดี๋ยวจะเข้าไปเย็บผลที่สุดโทนพามเป็นผู้ใหญ่เริ่มโอยพระพุทธเจ้าเป็นของทุกคนคนจะแจกแจกอธิธาตกับทุกเมือง เอาเข้ามาเข้ามาส่งตัวแทนเข้ามาแต่ก็แต่ละเมืองอราชจะคือสาวัถีสาเกตโกสัมพีพาราณสีเมืองสามัยนั้นสิบหกแคว้นนะส่งตัวแทนเข้าไปเข้าไปกเนี่ยเพื่อไปรอรับพระพรมสารีฤกษธาตุพระพุทธเจ้าแต่ใ้โทนพามก็ใส่โถใหญ่ใส่โถใหญ่อ้าจะแจกก็ตักแจกแจกเป็นหัวเมือง เมืองใหญ่ให้ใหญ่เมืองใหญ่ก็ให้มากเมืองน้อยก็ให้น้อยฮไอโทนพามก็เหมดเหลือบไปเหลือบมาไปเห็นพระเขี้ยวแก้วใช่ไหมไปเห็นพระเขี้ยวแก้วคือเขียวพระพุทธเจ้านะเนี่ยโอ้สวยงามไนะก็เลยหยิบขึ้นมาไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนเลยเอามาซ่อนๆไว้ในผมพอพามมนะันม้วยผมไว้ทั้งหัวใช่ไหมละ่ะเอาเก้าเก้าผมแล้วม้วนมวยผมเนละอยู่ทั้งหัวเนะ่ยกันเน็บไว้ในหัวสโลก็คือขโมยนั่นแหละ ขโมยพักเกี้ยวแก้วรพรกขุดไหเจ้าเนี่ยนะพอเน็บเสร็จเรียบร้อยก็แจกเลยันนี้พอแจกเสร็จแล้วก็ยกขันขึ้นมาเนี่นะหมดแล้วนะที่ได้หมดแล้วนะฮนะอบอกว่าหมดแล้วขนะเอาแล้วก็ถอยพอไปแล้วนี่ตัวใจพังกับมือคำค ำ, คำหาหายผักเขี้ยวแก้วบนชีบนหัวของตัวเองบนผมผมของตัวเองว่างั้นอะที่ไหนได้เพระ อ, อินทร์อยู่บนสวรรค์เห็นแล้วว่งั้นเออ ขมายต่ออลไรวะ ง, งั้นเถอะนี่เออขมายขมายเนี่ ย, ย, ยพระเกี้ยวแก้วของโทนาพามวะ ง, งั้นเถอะเอาขึ้นไปอยู่สวรรค์เอาไปไว้บนธาตุเกศแก้วจุลมณีฮะนี่แหละชำไว้นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะขนาดกันดูกพระพุทธเจา้าแท้ๆก็ยังขโมยกันวะ ง, งั้นเถอะเนี่ยพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้แจกเนี่ยเป็นผู้แจกเน่ยพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระบรมสารีฤกษธาตุรพระพุทธเจา้า ยังขโมยพระเขี้ยวแก้วเอาไว้บนศีรษะของตนเองไว้บนมวยผมคิดว่าขโมยมาให้ใครเห็นน่จะเอาเร่องาแจกหมดแล้วพระอินทร์ก็เลยเอาไปขโมยข ม, มายต่อไปอีกคนเอาไปไว้บนสวรรค์นี่แหละอันนี้ก็คือการแจกพระประมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ไปกราบไปไหว้ตามหัวเมืองต่างๆไปสร้างสถูปเจดีย์ เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็คือการที่พระพุทธเจ้าไปปฏิพานธ์ที่เมืองกุชินาราเป็นเมืองเมืองเมืองไม่ใหญ่เมืองเล็กทําไมพระพุทธเจ้าจึงไปไ ป, ปริิพัน์นที่เมืองกุชินาราเพราะว่าทหารกองทัพน้อยแต่ถ้าว่าพระพุทธเจ้าไปไ ป, ปริิพาน์ที่กรุงสา ว, วัตถีหรือกรุงราชคืออย่างนี้นทหารเขามากถ้าว่า อพอไปปรินิพานในนั่นเขาก็ต้องยึดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาปรินิพานเมืองของข้าแล้วใครอย่าหือเข้ามาเถอะเพราะกําลังทหารเข้ามากก็พร้อมที่จะสู้กันเลยฆ่ากันตายเพราะพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าอนาคตจะเป็นยังไงท่านจึงไปปรินิพานในเมืองเล็กๆไม่มีทหารไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่เข้าไป เ, เมืองน้อยก็ต้องแบ่เพราะว่าตัวเองอํานาจ เลือกกาลังทหารไม่เพียงพอเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อมกันจังพระอนนท์พระอนนท์กลับไปอยู่ที่กรุงกบิลพัฒนมีพระนนท์มีญาติทั้งแม่ญาติทั้งพอ่อแม่น้ําโลโลหินีเนี่ยเป็นแดนกลางทางเมืองทางเมืองกรุง ก บ, บินละพัทกับกรุงวิเทหะเมื่อพระอานนท์อายุร้อยี่สิบปีเ อ, อ่อถาหว่าเราปรินิพานแล้วเราตายไปนี่นะี่ยญาติทั้งแม่กับญาติทั้งพ่อนะ่ยคงจะทะเลาะกันคงจะเอาศึกอฆ่ากันตายเพราะแย่งกระดูกของเรา เ, ออเราจะทํำยังไงเนี่ยนะพระอานนท์คิดหนักเหมือนกันนะ อ, อจากนั้นท่านก็พอท่านปรินิพานาจริง ท่านก็เอาจะไม่ให้เขาแบ่งแยกกันยาก เ, เอท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐาน เ, าเพ่งวายโยกศินเข้ามาพระอนุนก็พอว่าปรินิาพานปั๊บร่างของพระอ น, น, นุนลอยขึ้นบนอากาศเลยเหมือนกับบั่งไฟอย่างนั้นะ่ะเออขึ้นไปกัดกัดกัดกักัดขึ้นไปพอไปถึงที่สูงร่างของพระอ น, น, นุนแตกเป็นสองภาค <c oughs> อาแตกเป็นสองภาค แบ่งแยกโดยอัตโนมัติฝ่ายหนึ่งก็้มาอยู่ทางตระกูลของพระบิดาอีกอีกส่วนหนึ่งก็ไปทางตระกูลพระมารดาของพระอา น, นุ์จากนั้นก็เขาไม่ต้องแบ่งกันยากเขาไม่ต้องรบกันต่างคนก็ต่างจัดของใครของเราจากนั้นก็ถวายพระเพลิงพระอา น, นุนนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าหรือพระอานทน์ปรินิพาน ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเป็นลักษณะอย่างนี้นะการนับศาญาติโยมลูกหลานพ่อลูกหลานทั้งหลายคงยังไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษานะหลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษากับม า, เ ล, า, เ, ลาเล่าให้พวกลูกหลานได้ฟังส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นก็อยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะทุกวันนี้มันมีมากหลากหลายอย่างพวกเราสมัยก่อนธงรัศน์วิทยุพวกเราจะคิดไหมว่าจะเป็นอย่างนี้ ต่อไปภายภาคหน้าถ้าเกิดศึกสงครามขึ้นมาเนี่ยอย่างเครื่องบินอย่างนี้เขาจะบันทึกไว้ว่าสมัยหนึ่งปีสองพันห้าร้ยห้าสิบหกในช่วงนั้นอ่ะเครื่องเขาเอาเครื่องบินบรรจุด้วยน้ามันเอาคนขึ้นท้องฟ้าทีละสี่ห้าร้อยคนถ้าว่ายุคต่อไปเนี่ยเขาไม่มีเครื่องบินเขาโอ้ไม่น่าเชื่อ คนโบราณขี้โกโหกอ่าเขาก็จะว่ายอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันนะนะั่นน่ะสมัยครั้งพระพุทธเจ้าท่านห่อเหินเดินฟ้าได้นะดำดินบินบนได้แท่านมีอิทธิฤทธิ์นะพวกลูกหลานทุกวันนี้ก็โว้ยพระพุทธศาสนาเอาเอออกมาโกโหกกันเป็นทอดๆอย่าว่าอย่างนั้นพี่อีกเหมือนกันนะลูกหลานนะเอพราะนั้นพวกเราต้องฟังเอาไว้เพราะเขาเจาะหูทั้งสองข้างนะ ไม่เชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดก็ไม่ดีเหมือนกันนะให้ฟังเอาไว้ถ้าอยากจะรู้ก่อหลักพิสูจน์มีให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นนัง่งเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายในคนละอันกันตายแล้วไม่สูญนะนาาการณ์สัตย์ายญาติโอมลูกหลานนะตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเอาต่อไปรับพรพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนนะีเนิะ